คิดุ้มไมคิดซั่งเสมันก็คือคิดคำมือกันหลายวันนะอ่าน อนาจอาธรู้เร it ื่องต่างๆเดี๋ยวเขาเองเดียประสบภัยอยู่แตสาวเท่วไปในใ่ยึดส่พระพุทธเจ้าแล้วจะต้องสะดับเล้าฟังจากคือจากอาจารย์จากพระพุทธเจ้าเที่ยก่อนจึงจะมีการละถฉนที่ดีได้ lambda อย่างง่วานอนเสีการเสียงงานเสียเพรื่องเมือเมาร้อนร้อนในจิตในใจไม่เป็นไปเพื่อความสุขความสบายความละถอนชีวิตเสียงของธรรมะตรงกันข้ามถึงจะลำบากจากเชื่อฟังใน่้อยจิดเข้าใจแต่ก็อาศัยการตั้งบ่อยๆหัดบ่อยๆค่อยสะอาดไปขึ้นเงา ได้จิตใจของเ็เราท่านกว่าทำนองเดียวกันหรือว่าใครทางนั้นท่เราบวยในศาสนาสวีที่มาศึกษาธรรมะสดีเด็เราเป็นขวนเขอนมาแล้วไม่ใช่ว่าดีดเื่อก่อนที่ข่อยเขวัดแต่อายใจธรรมะอาศัยสติอาศัยัญญาเป็นเบืยเป็นชัง แต่สภาพนี้ไม่สิ่งนั้นไปเป็นไปต่างๆอยากจะทําคุณกระดานพื้นกระดานฟ้าประตูหน้าต่า ง, ง, งการที่โชคสร้างทําได้ในเลี้ยงวิสัยเพราะอาศัยความเพียรทั้งช่างที่ทําไปที่ร้อยเป็นควันปูประโยชน์ก็มีนิดหน่อยเล็กน้อยไม่ค่อยจะ ประน์อะไรนอกจากหยิบคว้งที่อยู่ที่อาศัยแถวนั้นจะนั่งจะนอนก็สบายถ้าแย่จะผ้ามาเป็นเตียงเป็นตังเป็นบ้านเป็นช่องเข้ากลัวหน้าอยู่นะอาศัยราคาก็สูงขึ้นฉันใดจิตใจเขเกี่ยวอะไรท่านก็จะนองเดียวกันหมั่นที่นี่พิารณาศึกษาอาศัยธรรมะ เขาขัดกลียวจิตใจถึงไม่ชอบพอบังคับบัญชาให้พี่นิพพานนะให้ระดับเล้าปังธรรมะจนจิตเน่ยถูกสัมผัสกับธรรมะเข้ากับธรรมะได้พอท่านเอ่ยธรรมะขึ้นก็ช่นอกเยนใจสบายภายในไม่มีเครื่องเดือดดุให้จิตใจหลงหลง เราล้อนเหวียงตันเพราะธรรมะนั้นเป็นเครื่อขัดเราคทำเราร้อนเหลี่ยงต่างๆทําความเมตต์ของใจให้สว่างเกิดจ้าขึ้นในเรื่อธรรมะเป็นอย่างนั้นแต่นั้นธรรมะคือเป็นเรื่องสาคัญและเป็นเรื่องจำเป็นของพวกเราทุกท่านจะกําหนดที่ี่จะเรามาขหาเราหนีหลัง อยากจะให้เราเองมีความสุขความสบายความสงบภายในแต่อาศัยสื่งอื่นรู้เคียงกินเล็ภายนอกว่าสิ่งนั้นจะให้ความสุขสนุกสนานแต่เมื่อเราหยุดหยิ่งอยู่นั้นก็จะมีสนุกสนานขึ้นแต่พอหายหยิ่งหยิ่งก็ลอาร้อนเพื่อมไปอีก มันเป็นอย่างนั้นไม่มีการอื่มการพอในรูปในเสียงในกลินในรถตั้งแ่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่มีใครที่จะเบื่อนายเพียงพอต่อรูปเสียงกินรสทางธรรมะถึงจะพิจารณา ใครขัดข้องมันอย่าหลงเหลืองมันอย่าเมาเมาเชื่อมที่เราเคยหลงเหลืองวถือหล่อเจ๋อเต็มรถงามหน่ารักหน่าชอบหน่าสำลัดกินดีถ้าที่กำลังมาไปตามเหลือพวกนี้จะต้องหา คงเป็นควงวาได้มืมดูเป็นตัอย่างไรแสงสราบดีว่าร่างกายนิวของสัต์ของบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต่างๆในโคงเป็นคงวาแต่สภาพไปทุกวันทุกเวลาเช่นกระติกศาลาหรือบ้านช่องรถเรินต่างๆก็ทำนองเดียวกัน การแปลสภาพไปที่เปลี่ยนแปลงไปในคนที่วันนี้เราเปิดพนมโยกกันแต่สมัยอยู่ในคันกับคลอดออกมาใ ห, ใหม่หรือสมัยตปนเด็กกับปัจจุบันมันผิดกันนี่ความแปลนเปลี่ยนแปลงทีง่ภาดขันแต่มันจะเปลี่ยนแปลงได้ที่ที่ไหนผิดหมายปายทางของมันมันเกิดขึ้นมาจากอะไรไมันจะไปสู่สภาพอันนั้น จะมีใครคนนี 1970, ้อำนาจบาตรชนะที่จะไป็ฝ่าฝืนมันเห็นมันเป็นไปอย่างนั้นห้ามกั้นเอาไว้ไม่ได้จะมีเงินมีทองมีข้าวมีของมากมายขนาดไหนจะให้ทุนบาทรขาดทุนโดนจะให้ข่าแก่ข้าแปรเปือนจะให้เท่าไรเขาไห่ยินดีทางนั้นหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรก็จะเป็นไปตามหน้าที่ของเขา ให้จิตของเราพิจารณาอย่างนั้นจะไม่หลงหลงเกิดเพลินพราเกิดมาเฉลี่ยระยะเวลานิดหน่อยแล้วก็จะจากโลกอันนี้ไปเราเกิดมาในโลกเหมือนกันกับคนมาพักที่โรงแรมเฉลยระยะเวลาแล้วก็จากโรงแรมไปตอนเข้าโรงแรมมาก็มีอะไรติดตัวมาเสื่หมอนที่นอนต่างๆอาไหลของโรงแรมทางนั้น พอจากไปของเหล่านั้นโอเคไหมพักผอนแรมคนเดีวไปด้วยฉันใดจิตใจที่ยุ่นเหวี่ยงเหงือเหงื่อในโลกกว่าทํานมองโยกันว่าอันนั้นของเราอันนี้ของเรายุ่งนวิ่งแสดงหาจนมีโอกาสเวลาจะพักผ่อนภาวนาดูแต่การงานยุ่งเหวี่ยงตลอดเวลาฮาโอกาสช่วยใจสงบ จิตสงบใจที่พลัาภายในไม่ดัเพราะความบุญโยงเพื่อเพลินเหง่อกันคนนั้นได้อย่างนั้นคนนั้นเรือยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างนั <rolling carga> ้นไม่เคยใจว่าเราไม่จากมันมันก็จะจากเราของเหล่านั้นความจริงมันจริงอยู่อย่างไรไม่เข้าใจตามความจริงจริงของมันอยู่ที่จิตลืมหลงจิตขาดธรรมะจิตในที่พลังงา ความเป็นจริงเรื่องเหลวเปื่อยไปเขาก็ใช้ใจไปสอนเผแจกจิตใจเท่านเผยพิจารณาเผยรื่องเหนตามเป็นจริงของมันรูปือขิตขันเป็นอย่างไรให้เผยใจอย่างนั้นเผยพิจารณาอย่างนี้ความเหลื่องเกิดเพลินในที่เหดจันหาราคธะต่างๆจะลดถอยลงไปไม่มีอะไรที่จะมาคุณ จิตใจที่เราเร่งเหวี่งเมื่อยนิดปิดบังอีกเพราะการที่เจอหนาดือดบ่อยเหมือนเราตามไฟขึ้นความมืดมันจะตอหนุนนิไปเพราะไฟเป็นข่าวสุดกับความมืดถ้าเราดับไฟเหนืออะไรความมื่ก็จะเข้ามาแทนที่เพราะมีแสงสว่างของไฟชั้นใดที่มีธรรมในใจที่เหปัญหาจึงกลัวไม่กล้าจริงจะ โคนาัวมาเพราะถัมาถูอย่าเป็นเรื่ยงชื่อเหนี่ยมเสียอย่ากเหลแหท่านก็ปัด่อยที่ยนี้มรับเอาไว้จิตใจต้องธรรมกินอย่าหลงพิจนาอะไรคอใจตามเป็นจริงรูปเขาเคหลงหลเพื่อเิญว่าชิงามด่างนั้น่างท่านที่จนาอนี้จังพิจนาในปัจจุบันไม่เห็นพิจนาไปในอดีต จะเห็นวอดีตที่ผ่านมาแล้วลูกของคนนั้นเหมือนเป็นอย่างนั้นอนาคตถึงอยจะหมายถึงเราก็พอคาดได้พ่าหญ้าตายายของเขาหญ่าตายายของเขาเป็นอย่างไรลูกของเขาหลานของเขาที่เราหลงเหลวต่อเนด่องเราจะเป็นไปอย่างนั้นหรือมีใครสิจะหลีกเลียงอย่างนี้ได้จะเป็นไปทานองเียวกันในวันใดแต่วันหนึ่ง ข้างหนา้าเราทราบดีอย่างนี้ยังไม่มีการติดข้องัมีการลุ่หมหลงัมีการเพิดเพินในเรื่องของวไม่อย่างนั้นจะพิจารณ า, า, า, าให้เป็นอทุพะอุกอุังให้จิตสลดังเหตให้จิตเบือหนา่ยนายให้จิตเข้าใจตามความเป็นจริ ง, งทั้ทงขาดขันพอพิจารณาได้เพราะคำสมมติหลายิ้มใช้ก่เพียงคำสมมติทุกสิ่งทอย่าง ในตัวของเราทั่วไปเขาไม้ใช่าต่เขาเป็นขนเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเราเป็นเนื้อเขาแตกหนาถ้าเราเราเป็นเมื้อเขาเป็นยางนะแล้วพี่เหล่านั้นมันเป็นของสวยงามเป็นจังหรือเลือกหนาว่าเป็นของสกปรกทิศข้างในออกมาดูข้างนอกเอาหนัง ข้างนอกคืออะไรหลงหลงหรือว่ามันสวยมันงามดัดเข้าไปข้างในใส่ปิ่งตบไปให้ออกมาอยู่ข้างนอกเป็นอย่างไรงามไหมสวยไหมน่ารักน่าชอบไหมน่ากอดน่าจูบไหมแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นภายในเปล่าของเราท่านไม่มีอะไรที่จะสวยแต่งามมีแต่ข้องเล่าของหนียของตะกี้คู นี่คือการพิจารณาให้จิตเบียง่ายท้ายตำหนักทางพิจารณามีหลายทางที่เราจะพิจารณาแก้ไขจิตใจของเราอยากเป็นคนตาฟางตามือเห็นอะไรเก็กตะคุกเอาเขาจะแบเป็นคนดื้อคนมีควรจ่มีมีสติมีมีปัญญามีมีธรรมะคือควรตาบอดตาฟางตามืด ไม่เห็นอะไรตามเป็นจริงให้แต่นั้นธรรมะซึ่งเป็นแสงไฟหรือเด่นตะพูดส่องดีว่านั้นเป็นจริงอย่างไรให้ปิดใจเข้าถึงของจ่างนั้นและวจะหายความเลื่อนหลวจะหายความมัวเมาจะหายความกำหนัดเกิดเพลินทางพิจารณาของธรรมะคืออาจารย์หรือท่านผู้ท่านพิจารณามาอย่างนั้นพวกเราท่าน ก็มีเหมือนกันวิเดกัญหามาหน้าทิตติสติปัญญามาเหมือนกันแต่หนี่ยนำมาที่นี้พิจารณาแล้วก็กล่าวว่าปิตใจไม่สงบปิตใจว่าวิ่งกินเม้าต่างๆนีนะแล้วเนี่หาธรรมะมาเป็นเ่องเวยามาเป็นเครื่องรักษาปิตใจก็เลยไมมีโอกาสเวลาที่จะได้รับความสงบเย็นได้ มันมีวันใดเวลาใดตื่ใดเดือนใดจะเติมไปฮะดันั้นโอกาสเวลาที่เรามาบวชเป็นพระิเติเนรมาศึกษาธรรมะตื่นเรื่งขวาญขวายที่เจอนาภายในของตนหาใจของตนยอมจำนนต่อของจริของจริงอย่างไรอย่างหาใจไปผักดําเป็นดางนั้นอย่างนี้หายใจยอมถึงยอม รู้ตามความเป็นจริงเห็นนั้นแล้วจะมีไม่มีอะไรที่จะมาหลอกเราเราได้รู้เขาเคยมาอยู่แต่ไหนแต่ไรมาเขาเคยแปลเปลี่ยนไปอยู่แต่ไหนแต่ไรมาเราก็ทราบดีเรื่องนั้นไมนมีอะไรจะสงสัยในจิตในใจขวกเราห่้าจิตของเขาเป็นอย่างไรไจแต่รู้เรทราบอยู่แล้วเมื่อเขาเป็นไปเราทราบอยู่แล้วเราก็ไม่หลงไหลในขัดข้อ เพราะหนาจิーークク่ของเขาเพราก็เป็นไปตามหนาจิตของเขาหนาจิตของเราจิตใจรู้แใจเข้าใจเพราเป็นหนาจิตของเราอันนี้แปลเตรียมใจตามเขาได้ไหมเราจะทราบมีหน่วใจของเรามีธรรมะว่าใจนี้เป็นอันหนึ่งธาตุขันเป็นอันหนึ่งแสงลดเป็นอันหนึ่งดีลดเป็นอันหนึ่งจะทราบให้จิตในใจของเราการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญ กี่เหเราท่านควรรีบเร่งควรควายเราเพื่อปฏิบัติอย่าไปนอนใจตายใจเพราะการเกี่ยวกันไข่การ่ลงการตายมัมีเครื่องหมายนายกันว่าวันนั้นวันนี้ก่อนจะเป็นเบียดเบียนสาวหรือกรตามถึงโอกาสเวลาเวลาภัยคือควมตายมาถึงเขาเขาเวลาเรายังเป็นหมือนเป็นสาวยังมีความกลัวเพิ่มมีอะไรเปรจนยื กบเกลก่อนกินเกิดตายเขาไม่เลยนถึงเวลาตายตายไปเ่าคุเด็กเล็อใหืที่นี้กบเกลือกเียเกิดนกันคือยังเลกยังเด็กอยู่ให้ดูเด็กโตกก่อนพอจะพึงเด่กเองทาการทางานอใดกีก่อนถึงเกิดตายเขเนี่ยเขาไม่เลาถึงเวลากดตายไปมันเป็นธรรมะจิ่สอนใจมนเหนอนใจมันเหตายใจทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นธรรมะทางนั้นถ้าหาเราท่านพิจารายงาธรรมะอยู่ในป่าอยู่ในบ้านมีแต่ธรรมะธรรมะมีอเท่าเลี้ยวพอใจเรามีธรรมะเห็นอะไรเป็นธรรมะเห็นเขารองให้ก็เป็นธรรมะเห็นเขาทะเลาก็เป็นธรรมะเห็นอะไรเป็นธรรมะพอใจเป็นธรรมะหายใจเป็นธรรมะพระท่านเป็เป็นพอแตกว่าเป็นธรรมะให้พอใจมันเป็นธรรมะ จึงควรศ там, emperor, Stanford, hmm. 寥寥ึกษาเครื่องรีเจนานในใจของเรามีธรรมะอยู่ในตัวของเราพิ่เจน่าอยู่ทุกเช้าทุกเย็นทุกวันทุกเวลาสติปัญญาถึงนั้นเป็นความเพียรสําคัญที่จะแก้ไขใจกลงตัวให้ฟ่องไสใจ้องตัวให้หลุดออกจากที่เหลวไม่มียาวิเศษที่ไหนที่เด็กกีนเข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วฉาน่ข้าไปแล้ว ทำผู้เหชตัญหามานะทุกข์ทิอ้เรื่อเลไปเื่อตกไปหารมียาภายอกถึงเป็นแก่ใช้ที่เดชตัญหาคนต้องมาเรียนเชิญอ่านให้ลำบากยากเย็นทานยาตข้ไปผู้คนก็ต่หายทีเหชตัญหาภายในเป็พรอรหันตอาหารกันไปทั่วโลกนี่เลยมีเลขาอาจารย์ถึแนะนำสอนสอนคนนี้กันขนาดผู้ท่องพันแนะนำสอนทั่งเลือกนเห็น ทันเกคยใจอย่างไรตัวน the no ้ำธรรมะนั้นมาแนะนําครามสอนถูกเราท่านเป็หน้าที่ของเราที่จะต้เทศปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรใจของเราจึงจะได้เข้าถึงธรรมนะใจของเราจึงจะเป็นสุขใจของเราจึงจะสงบยางเป็นหน้าที่ของเราพิจารณาอะไรใจจะสงกสบายพิจารณาอันนั้นคือความสูขความสบายของจิตที่จะหาอะไร เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินเป็นไปเพื่อความมัวเมามเราก็ห้ามกานการคิดกา ร, การเร็นการพิจารณาอย่างนั้นนี่ทางสอนใจของตัวเองที่จะสอนใจว่าก็อาศัยสติใจมันคิดมันนึกมันทําการทํางานอยู่ตลอดเวลานอกจากหลับหรือจิตเวชเท่านั้นมันจะต้องคิดเปลยนต่ยไปตามเรื่องของมัน มีอย่างนั้นแต่คุณคิดไปเป็นทางสมุทยัยกอบปวยทบมาให้กอบปวยกุเลตปัญหามาให้เรืเป็นทางมาตที่จะไล่จะถอนกุเลตปัญหาภายในจิตในใจของตัวเราต้องที่นี่ที่เดียว น, ย น, ยววนเพราะเราเท่านั้นจะทราบดูเรื่องของใจัวเองคนเองไมีใช่สี่ข่าเพจะมารักษาจิตใจเหี่ยวจนศึกษาจนปฏิบับบต เกิดกำจัดความบ่นอยู่ในเมลคายในจิตในใจไม่อย่างนั้นคุณค่าราคาของมนุษย์ก็เลยมีอะไรที่แตกต่างกับสัตว์เพราะคุณเล่านอนเฉื่อยเพลินอยู่ตามเหลี่ยมของคุณเหตุัญหาคุณค่าของมนุษย์ก็เลยมีอะไรเพราะสัตว์มันไม่มีบ้านมีเงินก่อตามไม่มีไหลมีมาก่อตามจั้จะรักษาเหลื่ยมุองมัน ยูได้าไม่ตายเพราะอาศัยการหากินมีการยกชิดที่จะสอนปิตสอนใจเพง่มเติมยิ่งอื่นก็นอนไปลดก็ถ่รยออกช่วยอีกหาคนอีกเรื่องของสัตว์เป็นอย่างนั้นมนุษย์แต่เราท่านถ้าหากชิดอย่างนั้นต่ออย่างนั้นจะม่แปลกอะไรกันกับสัตว์เป็นเพอเป็นทนะี่ปรารณนา หาธรรมะสอนใจใจสูงใจต้องมีสติใจต้อมีปัญญาใจต้อเชื่อศรัทความชั่วต่างๆนั่นแหละใจของมนุษย์มนุษย์ต้อมีใจสูงต้องสูกว่าสัตว์ในการปฏิบัติกายวาจาจจิตข้งตัวเมื่อย่างนั้นจะปล่อยให้มันชั่วมันเชือไหลรอยไปตามที่เลสตัณหาเรื่องว่าเราเป็นมนุษย์ เป็นมีวิเศษส์มันเป็นว้เศษอะไรวิเศษปัญหาย่งเส่อทับจิตใจอะไรเป็นีวิเศษสัจจ์ไม่เห็นมีที่เจอมาทำนตัวเองขอดตัวเองพอเราสอนตัวเองขวดตัวเองด่าตัวเองมันมีอะไรผิดแต้เหออื่นเขาบอกเขาสอนก็ด่าเ่า เราว่าล้วรดีอะไรที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แกตัวพยายามฝึกรวมพยายามติดตามพยายามคัฒน์คิดแก้จิตใจคงตนจิตใจเป็นที่ดัดแปลงได้ไม่ใช่ว่ามันจะคงตึงคงวายเส้นอมาความเปลี่ยนใปคงจิตที่เกี่ยนแรงไปเรื่อยจนเกิดคำามหรือสัญลักษณ์สับก็พอที่จะดัดแปลงแก้ไข ตกแต่งเอาได้ไม่อย่างนั้นก็มี ใ, ใครที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระเป็นสมณนะผู้เผยให้เหตุได้เพราะกิ เ, ก เ, เลสดลั่งแลงไม่ได้เราอย่างเราท่านอย่างนั้นจะไปเลือนใสไปวินดีไปกล่าวมาเป็นใจที่ไหนเพราะใครๆจะนิ้นกันท่านนิ้นเราเราหนิ้นทันนี่เป็นอย่างนั้นถ้าพุทธเจ้าของเรา ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแต่ท่านควรี่เกลื่นันหามานักชิคิเ่อท่านล้ทุกเร่องทุกอน่างท่านอยู่สะดวกสบายเพราะอำนาจของเกลื่อัหามานักชิคิภายในมีในพระไทยของพระอง์ถ้าหากมีในพระไทยของพระองค์ถือว่าเราเป็นเจ้าควรประทับควรบรรทุน คือต้องควรอย่างนั้นอย่างนี้คือเราอยู่ตามดินตามหญาตามป่าตามเขาไม่ต้องควรแต่เราท่านก็แตบว่าปฏิบัติรีเวียนสัดไได้อาหารการใส่เราเป็นสัตว์ก็จะต้องใส่เราอยู่ควงมือมีคนขาอย่างนั้นอย่างนี้มีเขาไมามีแต่จงที่เหมือนฐานะหรืเมยกเมเยีของเราถ้าคิดอย่างนั้น ท่านจะปฏิบัติได้ท่านคนที่ดถงมาเนี่ยควรแก้เรื่งปัญหาของท่านได้ก็อยู่ปายอูเขาสิ่งพวกเหล่านั้นไม่ทราบว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์มาเขามีอะไรพี่จัมาให้ท่านจะเสือไปเพราะเขาเสือได้ท่านเสืได้เพราะเขาจินได้ท่านเสือได้มาถือคิดถึงมาเนี่ย พอเป็นโรคร่างกายไปเป็นวันวันเป็นยาประมาทรักษาถาดขันไม่ใช่ฉันมืษ์เหวอเ่วอชาติอร่อยเป็นมสอะเห็เยอะเข็ท่านทํามีหลางอย่างนะท่านจึงอยู่ป่าอยู่เขาได้อยู่ป่าอยู่เขาหยุดใจท่านตร็นสีมาราทิกิเจรัญหานะท่านก็ระเดืดสบา นนเรียนองเต็ภาวนาล่จุดเละจยด่วยไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาแต่คนขี่เตนตไปให้มันหลดไปทำจิตทำใจให้เยือกให้เย็นทุรักหน้าที่อะไรไ ม, ม่มีนอกจากจะมาดูจิตดใจแส่จุดแก่ใจแก่ไขสจงขี่เป็นที่เต็มไทยทำจิตทำใจสต็งตัวให้เบียด้อเย็นวายเท่ะนะั้นท่านคิดอย่างนั้นเ่านพิจรณาอย่างนั้น สรลภัยอย่างนั Dual ้นจงหน้าบูชาหน้ากล่าบไหว้เรษฐายังหลายในเป็นอย่างนั้นยังมีไปเลี้ยไหลยังมีก็คอยใจยากได้ขวัญสวยเข้าใจเราจริงๆเราแสวงหาจะเป็นพวงเราจริงจังไม่ทราบว่าเราจะจากมันไปหรือมันจะจากเราไปเลียงไหลในอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมีโน้ตคิด เรื่องของกายเรล่ของใจในใจเดคิดค้นีจ้าายเหตุผลเวลาเลนเลี้เิร์เล่อยไปมันมีใจสงบหยอกเย็นเป็นทําให้ทุกคนเน่นเงตัอยู่ตลอดเวลาหาเวลาสื่อสารชาเบาสบายไม่มีไปที่ไหนเลยยึดจุดเงินทุกอย่างนั้ทุกอย่างนี้ท้งท้งทีอุกาทอย่าง คนมึงนด้รู้ดรไม่ละงอะไรทำอุปโภหรือบริโภคมีถมไปใจใจมันยากใจมันเป็นทุกข์ใจมันไม่มีอาจมีธรรมมันเป็นอย่างนั้นเเราท่านไม่เห็นธรรมไม่เป็นธรรมจึงเป็นอย่างนั้น้ะหาเหตุหาตัวเอาส่งต็วน้เพื่อด้แกท วหสิ่งนั้นไม่มีฉายะไม่มีคุณค่ามาเป็นของขงตัวว่าเป็นของมีนทธี่เระพุทธเจ้าสมรขถที่ไม่เอาเราเหรอเราถือว่าเป็นของดี้ทธิ์แต่ว่าเรามีปัญญากว่าของพระพุทเจ้าหรือไมมาที่จ้านาแจกไขปรุงกายใจของตัว เกี่ยวกับเสียต่างๆให้ตกออกไปจากกายรายายใจท่องตกให้จิตใจยุ่แแยงแฉงใสให้จิตใจเป็นพุทธรู้อยู่ตลอดเวลาเบิกบานยุ่แแยงแฉงใสเดินอยูไม่มีหลับไม่มีเหงไม่เี่ยวเลยปัญหาพุทธภายในคือใจที่เรารู้เห็นเดินชัดอย่างนั้นมันเป็นพุทธ ขีณาอัจฉรย์เป็นพุทธะขี่าสการะมูชาเป็นพุทธะขีณาเปล่าว่าเป็นพุทธะขีนเยนสบายไม่เคร่งขรึยจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนเพราะจิตใจรู้จิตใจเบิกบานจิตใจตื่นจากที่ดปัญหานี่คือพุทธภายในทุกคนผู้กระเพิดกระพือดจะต้องเห็นจะต้องเป็น เดือกการคิดพิจารนาเดือกการศึกษาเดือกการภาวนาภายในไม่ใช่ว่ามันใจเหนื่อยตลอดไปมันดัดแปลงแก่ไขได้เร่องจิตใจเป็นอย่างนั้นไม่ตช่เสียเรียบร้อยทางเราพิจารณาจริจังเพราะสิ่งทั่วไปมันอยู่ในกายในใจของเราไม่ไดที่อยู่ที่อื่นก็จะหาโอกาสเวลาไปหาที่นั้น ดูถี้ความคพียมันดูภายในทงนั้นโลกเปเลี่ยนเหมือนกันมรรคผลเหมืนอ น, นกันฉะนั้นกา ร, าราพิจารณาภายในเปลี่ยนไปเพื่ อ, อการแก้ไขเพื่อการชำระธรรมะจังหะโอปะนยยิปุกน้องโคมาถึงอยู่ข้างนอกก็น้องโคมาภายในเพื่อสอนใจเพื่อตัวผู้ที่เลือดนึกได้อย่างนั้นกว่ามีวันเวลา จิตแต่ละชีวิตจหาจิตาสบายจิตเป็นสมณะคือเพื่อสงบจิตเป็นพระคือเพื่อเจริญพระที่ว่านี้มาเลือกว่าเป็น ยังิดอยากจะหายเลยเดินเป็นๆภาวนาทังายขู้นเลยถ้าอยู่ในวัดเสร็จชั้นยิ่งแล้วหลับนอนคิดดูเลยไหมยิ่งเองคาร จะฝึกอบรมตัวพงตัวไรเชื่อมเพลินดีเพราะหนาดขี่ของข้าของเมีหน้าดี่จะปฏิบัติศ<ม>ีนจะมาที่ปัญญาของตัวให้ก้าวแนะ่ไปหาวิชาวิ ม, มุตติดการงานอะไรเขาไห่อาภายัยไม่ต่อไปทํำไรทนะํานาทําสวนไม่ต้อไปทําการทํางานอะไรเขาก็าหาม า, าให้ใหกวันเขาจะให้เขาก็ยก ในกล่าวเกี่วกการบูชาไม่ใ่เขาให้มาบางวนทีบกันหาเขามาเพื่อบูชาคุณความดีส่งสอนตัวเราโคตรเราฉันเราอยู่เราอาศัยเขาคิดเอาไหมข้าเจ้าเราม่อู่ีวันจีคืนนี้อยู่ในวัดในวังเขาไม่คิดคุข่าอะไร ก็คิดอยากเพื่ออะไรบินเพื่อเพื่อความสุขให้แกเขาและเราสุขเพื่อปฏิบัติเท่านั้นเมื่อเราคิดเถึงอย่างนั้นก็ตั้งใจยึดมั่นในพุดคุณพระพุทธธรรมพระสงรักษาสากากายวายใจิตุ้กตนให้มั่นคง สะพยายามรักษาคุณงามความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้ตกไปความดีใหม่ควรจะได้จะถึงควรจะเห็นจะเติมปะรู้พยายามทิ้งที่เจอหนาพยายามจะทําบำเพ็ญเป็นจป็นก้อนเป็นเร็น ต่าสบายมีคุณค่าสาระมากใีเดีของพระ ความฝึกใจยิ่งที่เขาเห็นใสเขามีศัพท์นาเขื่อนจตกระทุกอย่างนะขอเพาะพระเนรครูอาจารย์ท่านผู้ท่านประพฤติแบบดีดัดทุกเร่องทุกอย่างเรียบร้อยดีงามเยียดเยินยินแล้วก่นหน้าดูได้ยินแล้วก่นหน้าฟังคิดแล้วก่อน มีชาเฉยๆเป็นอย่างนั้นจึงศาสนายืนงคงมาตลอดวันนี้เพราะพุทธคุณปฏิบัติดีชอบเอาใจใส่ในการแก้ไขละทิเลเอาใจใส่ในการบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เป็นทีเพ็ญฐานก้าวหน้าจิตใจของท่านไม่มีทิเลปัญหา ในสื่อมกับเปลวอกของท่านและสัตว์ทั่วไปใจของท่านเสื่อมใจขอท่านได้เสื่ออย่างนั้นเขาทาไม่ได้เขาเห็นเพีงเหยื่อยเขาทาไม่ได้เขาจิงเปีนใจกล่าวบ่ายีชะเพราะเขาู้ว่ายีกว่าเขาถ้าหากสเน้เขาชั่วกว่าเขาไม่ดีทาที่จะเหื่อสายไมท่าที่จะเปลี่ยนใปฏิบัติ ดังน de ั้นพวกเราท่านุกคนถึงจะยังไม่เต็มหน่วยหน่วยด้อย่างนั้นก็พากันต่างหน้าต่างตาพยายามรักษากายว่าใจใจสร้างพลังาความดีแก้ไขชั่วต่อไปสิ่งของเราจะเคยเศร้าหมองก็จะฟองใสสิ่งของเราจะเคยเพลิดเพลินรื่นรมงกุฎ หน้าต้นคืน